เด็กมีบุญที่แท้คือได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่เพียรพยายามสุดริตที่จะเปลี่ยนดิบตามสัญชาตญาณเด็กน้อยให้เป็นสุขตามสติปัญญาพ่อแม่ลูกดือ้อทำให้เจ็บช้ำน้ำใจตลอดแปลว่าเคยผูกเวรกันหรือเป็นเด็กมีบาปใช่ไหม มีเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลว่ากันว่าขณะพระเจ้าอา ช, ชาศัตรูยังอยู่ในพระคันของพระมารดานั้นพระมารดาทรงแพ้ท้องโดยมีอาการกระหายอยากดื่มเลือดจากแขนขวาของพระสวามีโอราจารย์ได้ทำนายว่าพระโอรสในพระคันจะเป็นศัตรูเกิดมาเพื่อปองร้ายพระราชบิดาแล้วก็ปรากฏว่าเป็นความจริงแม้พระบิดาเลี้ยงดูอย่างดี ในที่สุดพระเจ้าอัชาศัตรูก็ปลงพระชนพระบิดาด้วยความมัวเมาหลงผิดในอำนาจราชศักตามที่มีผู้ยุยงให้มักใหญ่ฝ่ายสูงก่อนวัยอันควรในปัจจุบันสติมีคันทั้งหลายก็เกิดประสบการณ์ต่างๆกันไปท้องลูกคนแรกชอบฟังธรรมะท้องลูกคนที่สองอยากกินของมึนเมาตลอด ท้องลูกคนที่สามจ้องจะโกงคนทุกวันทั้งที่ก่อนหน้าตั้งครนไม่ได้มีอาการอยากในเส้นทางแบบนั้นๆเลยแล้วลูกออกมาแต่ละคนก็โตขึ้นเป็นไปตามนั้นจริงๆซึ่งถ้าจะเอาตามความเชื่อแบบพุทธก็ต้องบอกว่าลางบอกเหตุขณะท้องไส้นั้นแท้จริงก็เป็นผลกระทบของใครอีกคนที่มีลักษณะเด่นทางใดทางหนึ่ง เมื่อเข้ามาอยู่ในท้องแม่ก็ปล่อยทาให้แม่รู้สึกไปในทางเดียวกันกับกรรมเก่าที่เด่นเป็นพิเศษของลูกไปด้วยคงยังไม่มีใครเก็บสถิติไว้แต่ส่วนใหญ่คนเป็นแม่ก็ไม่ได้รู้สึกรุษสาผิดปกติจากที่เคยเป็นยังคงเป็นตัวของตัวเองตามธรรมดาซึ่งนั่นก็หมายความว่าลูกเป็นเด็กมีบุญในระดับหนึ่งแน่ๆเพราะเกิดเป็นมนุษย์ ต้องมีบุญเก่าอย่างใดอย่างหนึ่งพอที่จะเข้าท้องมนุษย์มีจิตสำนึกรู้ผิดรู้ชอบแบบมนุษย์สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุณกะมานาวะกะปัญหานิเทศใจความย่นย่อคือกรรมอันนำมาสู่ความเป็นมนุษย์ต้องไม่ใช่กรรมที่เจืออยู่ด้วยโลภะโทสะหรือโมหะเลยคือกรรมที่นามาสู่ความเป็นมนุษย์ต้องมีน้าใจ มีความเย็นและไม่มืดบอดเห็นผิดเป็นชอบหากไม่ได้มีนิมิตหมายทางร้ายแต่ลูกโตขึ้นเป็นคนไม่ดีอย่าเพิ่งสรุปว่าเป็นลูกเวรเกิดมาเพื่อจองเวรพ่อแม่หรือเป็นลูกมาเกิดมาเพื่อเบียดเบียนพ่อแม่ให้เดือดร้อนเพราะเรื่องของเรื่องอาจไม่ใช่กรรมเก่าที่ทำให้เขาต้องเป็นเช่นนั้นแต่อาจเป็นกรรมใหม่ของพ่อแม่เอง ที่ไม่กำราบลูกให้อยู่หมัดแต่เน่นเนินไม่สั่งสอนสนับสนุนให้ลูกรู้คิดรู้อ่านแต่ยังเล็กไม่หนักว่าการเป็นมนุษย์คือการเป็นผู้ฝึกได้เปลี่ยนใจได้กลับตัวกลับใจได้ตราบเท่าที่ชีวิตยังไม่สิน้นหากมั่นใจว่าเลี้ยงลูกกับมือที่นุ่มนวลสอนลูกด้วยความปราณีให้มีธรรมะ และเขาโตขึ้นก้าวร้าวขบผ่านเป็นมิตรคิดแต่จะรีดไถ่พ่อแม่จนแก่เกิดเรื่องให้พ่อแม่ตามแก้ไม่เลิกอันนั้นค่อยมองว่าเขาเป็นคนบาปมาเกิดและเป็นบาปของเราที่ต้องได้ลูกแบบนั้นส่วนใหญ่ของเด็กมีบุญม่ใช่เกิดมาแล้วดีเลยแสดงแต่เรื่องดีๆก่อให้เกิดแต่เรื่องดีๆ โดยมากเด็กมีบุญก็เหมือนเด็กทั่วไปที่อยากดื้อบ้างอยากสนบ้างอะไรบ้างแต่หลักฐานความมีบุญจริงๆของเด็กที่แท้คือได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ดูแลเพียรพยายามสุดฤทธิ์ที่จะเปลี่ยนดิบตามสัญชาตญาณเด็กน้อยให้เป็นสุขตามสติปัญญาของพ่อแม่นั่นเอง